เวทนาตุกะหนึ่งเหตุทุกะหนึ่งปฏิจจวาระเป็นต้นปัจจะจตุกนัยยี่สิบห้าสภาวธรรมที่จำปัจุบันด้วยสุขเวทนาซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่จำปัจุบันด้วยสุขเวทนาซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่จำปัจุบันด้วยทุกขเวทนาซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่จำปัจุบันด้วยทุกขเวทนาซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่สัมปยุทธด้วยทุกขโมกขเวทนาซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมสุขเวทนาซึ่งเป็นเหตหุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อ26เหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณะปัจจัยมีสมวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระละถึงวิปากะปัจจัย ม, มีสองวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระยอ่อ นอธิปติปัจจัยมีสามวาระน้ปุเรชาตะปัจจัยมีสองวาระหนปัจฉาชาตะปัจจัยมีสามวาระหนอเสวะณะปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตะปัจจัยมีสองวาระย่อหนอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อเหตุปัจจัยกับหน้าอธิปติปัจจัยมีสามวาระย่อ พึงขยายสหชาติวาระละถึงสัมปยุตติวาระให้พิจารณาเหตุปัจจัยและอารมณ์ปัจจัยยี่สิบเจ็ดสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาซึ่งเป็นเหตุโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาซึ่งเป็นเหตุ โดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมมุขเวทนาซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมสุขเวทนาซึ่งเป็นเหตุโดยเหตุปัจจัยยีสิบแสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาซึ่งเป็นเหตุโดยอรมณ์ปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกเวทนาซึ่งเป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมพยุดด้วยทุกขเวทนาซึ่งเป็นเหตุโดยอรารมาณะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่สัมพยุดด้วยทุกขมสุขเวทนาซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมพยุดด้วยทุกขมสุขเวทนาซึ่งเป็นเหตุโดยอารมณะปัจจัยมีสามวาระยอกยี่สิเเหตุตุปปัจจัยมีสามวาระอารมาณะปัจจัยมี9้าวาระ ที่ปฏิปัจจัยมีสี่วาระอนัต all, นตร yup, ต through, ต Hunting Mad ah, นะปัจจัยมีหกวาระสมนันตระปัจจัย ay, มีหกวาระสหชาติปัจจัย ay, มีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนิสยปัจจัยมีสามวาระอุปาณิสยปัจจัยมีเ้าวาระอาเสวนปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีสองวาระอินทรียะปัจจัยมีสองวาระมัคคะปัจจัยมีสองวาระ สัมยุญตระปัจจัยมีสามวาระอาติปัจจัยมีสามวาระณติปัจจัยมีหกวาระวิคตตปัจจัยมีหกวาระอวิคตตปัจจัยมีสามวาระย่อนเหตุปัจจัยมีเ้าวาระณอารมณปัจจัยมีเก้าวาระย่อณอารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระย่ออารมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีเก้าวาระย่อ พึงขยายให้พิสดารเหมือนปัญหาวาระในขุสละปิกะหปฏิจจวาระปัจจยะจตุกนาส30สสภาวธรรมที่สัมปยุทธด้วยสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธด้วยสุขวเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่สัมปยุทธด้วยทุกขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธด้วยทุกขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สจำปัจจด้วยทุกขโมกขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สจำปัจจุบันทุกขมสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อสามสิบเอ็ดเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสามวาระย่อณเหตุปัจจัยมีสามวาระ ณอธิปติปัจจัยมีสามวาระณนะปุเรชาตะปัจจัยมีสองวาระณนะปัจฉาชาตะปัจจัยมีสามวาระณนะอเสวณะปัจจัยมีสามวาระนณะกรรมปัจจัยมีสามวาระณนะวิปากปัจจัยมีสามวาระละถึงณวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระยอ่อพึงขยายสหชาตะวาระและถึงสัมยุตตะวาระให้พิจาราเจ็ ปัญหาวาระปัจจะยะจตุกนัยอารมณปัจจัยเป็นต้นสาสองสภาวะธรรมที่สัมยุญด้วยสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่สัมยุญด้วยสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอารมณะปัจจัยสภาวะธรรมที่สัมยุญด้วยสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่สัมยุญด้วยทุกขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอารมณปัจจัย สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอรมณ์ปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอรมณ์ปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที diamond, สม่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุโดยระมณะปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุโดยระมณะปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขคุเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุโดยระมณะปัจจัย สภาวธรรมที่สัมยุญด้วยทุกขโมุขโวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมยุญด้วยสุขโวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุโดยรมณปัจจัยสภาวธรรมที่สัมบุญด้วยทุกขโมุขโวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมบุญด้วยทุกขโมุขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุโดยรมณะปัจจัยสาสภาวธรรมที่สัมบุญด้วยสุขโวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมบูรณ์ด้วยสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุโดยทิปฏิปัจจัยสภาวธรรมที่สัมบูรณ์ด้วยสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมบูรณ์ด้วยทุกขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุโดยทิปฏิปัจจัยสภาวธรรมที่สัมบูรณ์ด้วยทุกเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมบูรณ์ด้วยทุกเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุโดยทิปฏิปัจจัย สภาวธรรมที่สัมปยุทธด้วยทุกขโมกขคเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขโมกขคเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุโดยที่ปฏิปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขโมกขคเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุโดยที่ปฏิปัจจัยอนันตระปัจจัยและอุปาณิสีตปัจจัยสามสิบสี่ สภาวธรรมที่สัมยุญด้วยสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่สัมยุญด้วยสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอนัตตราปัจจัยมีสองวาระสภาวธรรมที่สัมยุญด้วยทุกขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่สัมยุญด้วยทุกขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอนัตตราปัจจัยมีสองวาระสภาวธรรมที่สัมยุญด้วยทุกขมกสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมพยุดด้วยทุกขมสุขเวทานาซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอนันตรปัจจัยมรรรรีสามวาระละถึง 35. สภาวธรรมที่สัมพยุดด้วยรรสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมพยุดด้วยสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอุปาทิเสยปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่สัมพยุดด้วยทุกรรขเวทานาซึ่งไม่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ ส, สภาวธรรมที่สัมพยุด้วยทุกขเวทนาะซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอุปาณิเสียปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่สัมพยุดด้วยทุกขมิสกุเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมพยุดด้วยทุกขมิสกุเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอุปาณิเสียปัจจัยมีสามวาระย่อสามสิหกอารมณ์ปัจจัยในเ้าวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระ อนันตระปัจจัยมีเจดวาระสมณันตระปัจจัยมีเจดวาระสหชาติปัจจัยมีสามวาระมัญญามัญญปัจจัยมีสามวาระนิสัยปัจจัยมีสามวาระอุปาณิสัยปัจจัยมีเ้าวาระอาเสวะณปัจจัยมีสามวาระระมะปัจจัยมีแปดวาระวิปากปัจจัยมีสามวาระอหาระปัจจัยมีสามวาระอินทรียะปัจจัยมีสามวาระ ชาณปัจจัยมีสามวาระมัคคะปัจจัยมีสามวาระสัมำยุตตปัจจัยมีสามวาระอัติปัจจัยมีสามวาระนัตถิปัจจัยมีเจดวาระวิคตะปัจจัยมีเจดวาระอวิคตะปัจจัยมีสามวาระย่อณเหตุปัจจัยมีเก้าวาระณอารมณปัจจัยมีเก้าวาระย่อนเหตุปัจจัยกับอารมณปัจจัยมีเก้าวาระย่อ อารมณะปั จ, จัจของนาเหตุถกปั จ, จัยเนเคกาวาระย่อพึงขยายให้พิจารเหมือนปัญหาวาระในกุศลตึกะสามวิปากตึกะหนึ่งเหตุทุกกะหนึ่งปฏิจจวาระ ปัจยะจะตกภายนสามสิเจสภาวธรรมที่เป็นวิบากซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากซึ่งเป็นเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิปากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อสาสิบปดเหตุุปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระละถึงอาศัวุณปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระวิปลาสปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตตปัจจัยมีสามวาระยอ่อ หน้าที่ปฏิปัจจัยมีสามวาระนบุเรชาติปัจจัยมีสามวาระนปัจฉาชาติปัจจัยมีสามวาระนอเสวนปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจิัจมีสองวาระนวิปยุตตาปัจจัยมีสามวาระย่อพึงขยายสหชาตะวาระและถึงสัมยุตตวาระให้พิจารณาเหมือนขปิิจจวาระ 7. จปัญหาวาระ ปัจจะยะจตุกไนัยมสิบสภาวธรรมที่เป็นวิบากซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่ irritation. สภาวธรรมที่เป็นวิบากซึ่งเป็นเหตุโดยเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากซึ่งเป็นเหตุโดยเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบาก และไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากซึ่งเป็นเหตุโดยเหตุตุปัจจัยสี่สิทสภาวธรรมที่เป็นวิบากซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นวิบากซึ่งเป็นเหตุโดยระมณะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากซึ่งเป็นเหตุโดยระมณะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิปาก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 เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากซึ่งเป็นเหตุโด้วยทิปฏิปัจจัยมีสองวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรม ak, ak, ak, ak, ak, ที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากซึ่งเป็นเหตุโด้วยทิปฏิปัจจัยย่อสี่ิบสองเหตุปัจจัยมีสามวาระอรามะนปัจจัยมีห้าวาระอธิปฏิปัจจัยมีหกวาระ อนันตระปัจจัยมีห้าวาระสมณันตระปัจจัยมีห้าวาระสหชาตะปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระเนสียปัจจัยมีสามวาระอุปเนสียปัจจัยมีห้าวาระอาสิวะนปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอินทรียะปัจจัยมีสามวาระมัคระปัจจัยมีสามวาระ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 ปัจยะจตุกนัยสี่สิบสามสภาวธรรมที่เป็นวิบากซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากซึ่งไม่เป็นเหตุอาสัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากซึ่งไม่เป็นเหตุ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 ย่4เหตุปัจจัยมี๑๓วาระอรมณปัจจัยมี๕วาระอธิปติปัจจัยมี๖วาระอนันตระปัจจัยมี๕วาระสมนันตระปัจจัยมี๕วาระสหชาติปัจจัยมี๑๓วาระอัญญมัญญปัจจัยมี๗วาระนิเสียปัจจัยมี๑๓วาระอุปาณิเสียปัจจัยมี๕วาระปุเรชาตะปัจจัยมี๓วาระ อาเศวณปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจจัยมีสิบสามวาระวิปากปัจจัยมี9้าวาระมหาราปัจจัยมีสิบามวาระละถึงสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสิบสาวาระย่อนัเหตุปัจจัยและนอารามณปัจจัย่สิบห้าสภาวธรรมที่เป็นวิบากซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากซึ่งไม่เป็นเหตุ เกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยมี9้าวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะน่ะอรมณปัจจัยย่อ46่นะเหตุปัจจัยมี9้าวาระน่ะอรมณปัจจัยมีหวาระนะอธิปติปัจจัยมี13าวาระนะอนันตระปัจจัยมีห้าวาระนะสัมมันตรปัจจัยมีหวาระ นอัญญามัญญปัจจัยมีหวาระนอุปนิสยปัจจัยมีหวาระนาปุเรชาตะปัจจัยมี12วาระนปัจฉาชาตะปัจจัยมี13วาระนอเศวณปัจจัยมี13วาระนกรรมปัจจัยมีสองวาระนวิปากปัจจัยมีหวาระนอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระนาชานะปัจจัยมีสองวาระ นมมะาปัจจัยเก้าวาระละถึงนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระละถึงโนวิคตาปัจจัยมีห้าวาระย่อพึ่อขยายสหาชาติวาระและสัมยุญตวาระให้พิสดารเหมือนกับปฏิจัววาระ 7. ปัญหาวาระปัจยะจตุกนัย47สภาวธรรมที่เป็นวิบากซึ่งไม่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่สภาวาธรรมที่เป็นวิบากซึ่งไม่เป็นเหตุโดยรมณัปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากซึ่งไม่เป็นเหตุโดยรมณัปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากซึ่งไม่เป็นเหตุโดยรมณัปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากซึ่งไม่เป็นเหตุ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 สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุที่เกิดวิบากซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นวิบากซึ่งไม่เป็นเหตุโดยที่ปฏิปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุที่เกิดวิบากซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุที่เกิดวิบากซึ่งไม่เป็นเหตุโดยที่ปฏิปัจจัยมีสามวาระสี่สิบเก้าสภาวธรรมที่เป็นวิบากซึ่งไม่เป็นเหตุ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 โดยนันทระปัจจัยมีสามวาระย่อห้าสิบอารมณะปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีสิบวาระอนันตระปัจจัยมีเจดวาระสมนันตระปัจจัยมีเจดวาระสหชาติปัจจัยมีสิดวาระอัญญมัญญะปัจจัยมีเจดวาระนิสยาปัจจัยมีสิบสามวาระอุปานิสยปัจจัยมีเก้าวาระอาเสวะนปปัจจัยมีสองวาระ กรมปัจจัยมีเก้าวาระวิปากปัจจัยมีสามวาระอหาราปัจจัยมีเจดวาระอินทรียปัจจัยมีเ้าวาระชานะปัจจัยมีเจดวาระมรรคปัจจัยมีเจดวาระสัมำยุตตปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระมาธิปัจจัยมีสิบามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมี13าวาระย่อ เนเหตุปัจจัยมีสิวกวาระเนอารามณปัจจัยมีสิวกวาระยอ่อเนอารามณปัจจัยกับเฮตุปัจจัยมีเก้าวาระย่ออารามณปัจจัยกับเนเหตุปัจจัยมีเก้าวาระยอ่อพึงขยายให้พิสดารเหมือนปัญหาวาระในกุสลติกะ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 เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อ52เหตุปัจจัยมีสามวาระอรามะนปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสองวาระละถึงวิบากะปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระนะ le, 2, 1, ย่อณอธิปติปัจจัยมีสามวาระณปุเรชาตะปัจจัยมีสามวาระละถึงณอเสวณปัจจัยมีสามวาระ นวิปากะปัจจัยมีสองวาระนวิปยุตตะปัจจัยมีสามวาระย่อพึ่งขยายสหาชาตะวาระละถึงสมัมยุตตะวาระให้พิจาราเจ็ 7. ปัญหาวาระปัจจะยะจะตกนัยในห้าสิบสามสภาวะธรรมเที่ยกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งเป็นเหตุ เป็นป anyway, ัจจัยแก่สภาวธรรมที่กรลมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งเป็นเหตุโดยเหตุุปัจจัยสภาวธรรมที่กรลมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กรลมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งเป็นเหตุโดยเหตุุปัจจัย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 และเป็นอารมณ์ ono, aria, อของอุปาทานซึ่งเป็นเหตุโดยอรมณ์ปัจจัยสภาวะธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งเป็นเหตุโดยอรมณ์ปัจจัยห้าสิห้าสภาวะธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทาน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 โดยอุปนิสัยปัจจัยมีสามวาระย่อห้าสิปดเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณ์ปัจจัยมีห้าวาระอธิปฏิปัจจัยมีสี่วาระอนันตระปัจจัยมีหกวาระสมณันตระปัจจัยมีหกวาระสหชาติปัจจัยมีสามวาระอัญญามัญญปัจจัยมีสามวาระนิสัยปัจจัยมีสามวาระอุปนิสัยปัจจัยมีเ้าวาระ อาเสวนาปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยมีสองวาระและถึงอินทริยปัจจัยมีสามวาระมัคคะปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระย่อณเหตุปัจจัยมีเก้าวาระณอารมณปัจจัยมีเก้าวาระย่อณอารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อ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 อธทิติปัจจัยมีห้าวาระอันันตรปัจจัยมีสามวาระสมนันตรปัจจัยมีสามวาระสหชาตปัจจัยมีเก้าวาระปัญญามัญญปัจจัยมีสามวาระนิสยปัจจัยมีเก้าวาระอุปานิสยปัจจัยมีสามวาระปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระอาเสวณปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจจัยมีเก้าวาระวิปากบัตัจมีเก้าวาระ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 นกรรมปัจจัยมีสองวาระนวิปากปัจจัยมีหกวาระนอาหารปัจจัยมีสองวาระนอินทรียปัจจัยมีสองวาระนัฌานปัจจัยมีสองวาระนมัคคะปัจจัยมีห้าวาระนสัมยุญตปัจจัยมีหกวาระนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระละถึงโนวิคตะปัจจัยมีหกวาระย่อ นาอารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีหกวาระยอ่อารรมณะปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระยอ่อเพื่อขยายให้พิจารณาเหมือนปัญหาวาระในกุชล ะ, ะิึกะ